หลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าปกติเดือนธันวาหลวงพ่อเคยพาพวกเราไปไถ่ชีวิตบวกควายนะทำมาหลายปีก่อนนั้นหลวงพ่อก็ทำคนหลวงพ่อเองปีหนึ่งไปหลายๆรอบไม่ได้บอกใครพเรารู้ก็เลยตามไปไม่ให้ไปปีละครั้งนี่ไปไถ่บวกควายมันก็หลายปีละคนะวายก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆ ราคาเท่าเดิมแต่ตัวเลขลงเล็กลงบอกคนจีนซื้อไปกินหมดเลยจิงปเปล่าถามก็ดู <c oughs> นี่มาดูเกษตรกรเรายุคนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้วัวใช้กายแล้วนม่ใช้เครื่องจักรกันนั้นึกถ่ายไปแล้วก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้น่ะเลยตอนหลังเลยชวนพวกเราเปลี่ยน ทำบุญกับสัต์มาเยอะแล้วถัดไนี้ทําบุญกับคนบ้างอทิตย์ก่อนเลยบอกพวกเราว่าใครอยากทําบุญร่วมกับหลวงพ่อไม่ต้องเอาเงินมาให้หลวงพ่อนะเราไปทําบุญโรงพยาบาลสงเคราะห์คนบ้างใครพอใจโรงพยาบาลไหนบ้านใกล้โรงพยาบาลไหนทําที่นั้นเลยไม่ต้องเอาเงินมาให้หลวงพ่อหรอก นี่พวกเราบางคนก็ช่างสังเกตว่าทำไมดอกไม้เยอะบอกให้ก็ได้ปิดบังมาหนานักหน า, นาแล้ววันนี้วันเกิดหลวงพ่อมะสิบเก้าปีไม่เคยบอกใครเลยรู้มาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันมีสัญชา ต, ตยานนักสืบกันมาสืบสื บ, สบมานี่วันเกิดหลวงพ่อที่แต่ก่อนเลยพาไปทำบุญทำอะไรกัน จะ ท, ทำบุญด้วยกันร่วมกันนี้วันเกิดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่อยากให้พวกเราเอาข อ, องกวนมาให้หลวงพ่อนะเป็นภาระกับหลวงพ่อเลยบอกถ้าอยากให้ของกวันกับหลวงพ่อนะของกวันที่ดีที่สุดคือภาวนาภาวนาให้หลวงพ่อลองลงไปอย่างเดี๋ยวทานทําอะไร น, นะอยากจะช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลไหน ก็ตามสะดวกไม่ต้องเอาเงินมาให้หลวงพ่อะไปทำกันเองแล้วก็จะให้หลวงพ่อโนมโมทนาก็เขียนโน้ตเล็กๆส่งมาให้หลวงพ่ออ่านก็ได้ไหยอดตู้ไว้ก็ได้เดี๋ยวเขาก็รวบรว ม, มให้หลวงพ่อโนมโมทนาไปทําบุญแล้วไม่ต้องกรวดน้ําให้หลวงพ่อนะไม่ต้รามากรวดน้ํานะ เรื่องน้ำน้ำหายากปีนี้แล้อไม่ต้องจุดธูปบอกด้วยะเราพ่อใส่น้ำหลักเสพโดนกลิ่นธูปมากๆไม่ดีมนุษย์เนี่ยเวลาเราทําบุญนะเราอยากให้เขาได้รับส่วนบุญด้วยเราต้องไปบอกเขาให้เขาอนุโมทนาอย่างเราทําบุญแล้วเราก็ไปบอกพ่อแม่เราว่าเราทําบุญนะให้อนุโมทนาเนี่ยเขาก็อนุโมทนาแล้วเขาถึงจะได้บุญ เราไปทําบุญอะไรมาก็ได้แล้วก็อยากให้หลวงพ่ออนุมโมทนาด้วยก็เขียนโน้ตไปหยอดตู้ไว้ตู้ไหนก็ได้นะเดี๋ยวพขาก็รวมมาให้อา่านเองแต่ถึงไม่ไม่หยอดถลงพ่อก็ไม่ว่านะหลวงพ่อพอนุมโมทนาล่วงหน้าะใครจะทำอะไรยิ่งถ้าใครภาวนาให้หลวงพ่อนะปลื้มมากเลยชอบที่สุดเลยคนภาวนาพวก ไม่ภาวนานะไม่ค่อยชอบหรอกเพรานวะุ่นวายไม่ชอบชอบกอนปฏิบัติอาจะได้หายสงสัยสักทีว่าทำไมต้องทำเดือนตันวานะทำไมดอกไม้เยอะจะบอกวันเกิดหลวงพ่อมก็ไม่ใช่แล้ววันนี้หลวงพ่อเกิดมาก่อนนี้นานแล้วนะ67ปีแล้ว ในวันวันที่วันเดียวกันเนี้นจริงจริงวันเกิดอยากจะไปหาแม่นะแต่ไม่มีเวลาเลยให้แม่รอไว้ก่อ น, นอส่งันบ้านพวกอยู่วัดนับัาะชะการครับก็ยังมีสุดตรงอยู่สองฝั่งเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงหลังก็สั้นกว่าเดิ ม, มครับผม หลวงพ่อประเมินว่าเป็นยังไงบ้างครับออประเมินถูกครับผมทาอีกไหมใจไม่ถึงฐานดูเอกเปล่าขณะเนี้ใจไม่ตั้งมั่นใจใจไม่ออกไปอยู่ข้างนอกใจหลวงพ่อเทียบให้ดูนะใจมใจอย่างนี้มันไม่ไม่อยู่ที่ตัวเองอย่าดึงนะดึงแล้วจะแน่นครับผมอ้าต่อไป มันวนอยู่กับความมีแรงไม่มีแรงค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็โลภอยากจะมีแรงแล้วมันก็พอแบบช่วงที่มันพังภาพไปมันก็เหมือนกับไม่ไหวเบื่อนายท้อแท้มากค่ะดูตรงๆเลยนะพอนาจะมีแรงหรือไม่มีแรงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละพ่อมันไม่เที่ยมมันพังภาพไปก็รู้ว่าพังภาพนะเป็นไงก็รู้อย่างนั้นแหละไม่ต้องแก้ไข จิตไม่มีแรงรู้ว่าจิตไม่มีแรงไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเท่านี้แหละเป็นกลางขึ้นมาแล้วมันก็จะมีแรงขึ้นมาเองนะยิ่งถ้าเราจิตไม่มีแรงแล้วเรากังวลใจก็เข้าทางกิเลสมันก็จะแกล้งให้เราไม่มีแรงไปนะเรื่อยๆหลวงพ่อไม่เคยห่วงเลเรื่องมีแรงไม่มีแรงนะอในทุกวันเนี้ภาวนาจะดีจะเลวอะไรหลวงพ่อไม่ห่วงเลย เฉยๆเสมอกันฝึกไปฝึกให้ได้อย่างหลวงพ่อเขาบุญล้วา่ะอ่ผมใจยังไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวกับการ อ, อะไรนะใจยังไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวกับการภาวนาครับให้มันเด็ดเดี่ยวเขาัางลงโลกอยู่คุณมากครับหมวยฟังประโยชน์นี่นะวันนี้มันที่เก่านะเนี่ยเนี่ยก็ติกทุ่มหัวเพื่อเสดายก็ติก หัวมันไม่แตกกติกเราแตกเพราเราทุ่มผิดดีขึ้นละ่ะจิตเหนื่อดีขึ้นะมีกำลังมากขึ้นทำให้สมามเสมอเล่นน้อยๆเล่นพอผ่อนคลายเวลาส่วนใหญ่มีสติอยู่กับตัวเองแต่อย่าเพ่งเริ่มหันไปเพ่งแล้ว นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อตอนนี้เครียดและตื่นเต้นค่ะ mm hmm. คือว่าขอ น, น้ามาอยู่วัดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาค่ะหลงโลกมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็จิตออกนอกตลอดเวลา mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าจิตมันเบื่อธรรมะค่ะขนาดวันก่อนที่จะมาวัดนะคะจิตก็ไม่อยากมาค่ะแต่ว่าหนูก็ยังปฏิบัติ ในรูปแบบอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็พยายามมีวิหารธรร ม, มค่ะแต่ว่าปัญหาคือว่าระหว่างวันจะชอบลืมอะค่ะลืมวิหารธรรมค่ะฝึกฝึกให้สติอัตโนมัติมันเกิดนะฮะรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยอยู่กับวิหารธรรมให้บ่อยๆ อ, อย่าลืมมันนานแล้วต่อไป<ม>ลืมนานาเนออต่อไปพอเราฝึกเรื่อยๆนะมันจะลืมสั้นลงสั้นลง ต่ไปจิตเคลื่อนปรับเห็นเคลื่อนปรับเห็นเลยนะค่อยๆฝึกอยู่ที่การฝึกคืออะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคนั่นแหละไปฝึกเราเราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นแหละนะเราฝึกความไม่มีสติเราก็ได้ความไม่มีสติเราฝึกให้มีสติมันก็มีสติก็ยุติธทําแล้วล่ะครับกรรมและพการของพ่อครับคือผมก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณสามหนึ่งสี่ปีครับก็หลังๆก็ ปฏิบัติมากขึ้นนะมีศรัทธาในธรรมะแล้วก็ เ, เห็นถึงวัตสงสารว่ามันอันตรายก็เป็นกำลังให้สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องครับก็ทำตามรูปแบบทุกวันนักสมาธิวันหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือวา ง, งวันก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับโดยใช้พุโทโธเป็นวิหารธรรมทำทาไม่ดูซิครับผมอย่ารวบจิตอยใช้จิตปกติก่อน เทีย่ยนี้โมหาแทรกแล้วรู้สึกไหมซึมลงไปลใช้จิตใจปกติแล้วก็อยู่กับพุโทโธไปอทำเยอไปอย่างนี้เราเดินปัญญาได้ด้วยดูออกไหมจิตมันเคลื่อนไปมาได้ครับผมตรงที่เราเห็นมันเคลื่อนเคลื่อนนี่เราเดินปัญญาอยู่ครับแล้วมันเคลื่อนเคลื่อนอยู่แล้วทุกมันก็ว่างนิ่งๆอยู่ตรงนั้นมันทำสมถะ จะพลิกไปพลิกมานะเพราะฉน้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาครับใช้ครับใช่สิไม่หลอกหรอกทีนี้ไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือว่ามีมีข้อแนะนำแก้ไขให้ครับทำไปอย่าหวังผลนะถือว่าทุกวันปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปครับแล้วก็ถวายบูชาหลวงพ่อด้วยครับอันทุกโมทนาอย่างนี้พลื้มบางคนแบบ ในภาวนามาขอถวายให้หลวงพ่อมีส่วนบุญเราเห็นแล้วฮะบุญเหรอเห็นแล้วงงอย่างนี้มีบุญอ่ะใครอยู่วัดอีกคนที่นั่งเก้าอี่การนักษาของหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็สนใจจะเป็นอยู่กับลมหายใจนะครับแล้วก็มีโทรศั์แทรกเรื่อยๆครับ นั่นแหละเรียกว่าดูเป็นดูลมหายใจไปจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะหายใจไปจิตหายจากโทสะรู้ว่าหายนะหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปจิตสงบรู้ว่าสงบหายใจแล้วรู้ทันจิตเราใช้ได้นะฝึกบ่อยๆดีขึ้นแล้วละ่ะรู้ตัวบ้างเปล่านะฝึกไปอันนี้มันคือการลงทุนให้ชีวิตเราเอง เราฝึกทุกวันทุกวันนะผ่านไปห้าปีสิบปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหันไปมองเพื่อนเราที่เคยคบกันมานะเขาก็ยังแย่กว่าเก่าอีกนะไม่เท่าเดิมหรอกคนถ้าไม่ฝึกนะยิ่งแก่ยิ่งแย่้ใจมันไหลาตามกิเลนมานานเรายิ่งฝึกไปนะจนอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งชำนาญในการปฏิบัตินะใจมันมีพลังมีพลังดีขึ้นแล้วล ะ, ละนะอดทนนะอดทนไป ถือศีลห้าไว้แล้วก็ปฏิบัติทุกวันทุก ว, วันอยู่ข้างหน้านี่ของโยมหม่ยังไม่มาบอกไปก่อนโยมคอยรู้ทันเวลาเรายึดถือในความคิดความเห็นนะนะเรายึดมันอย่างเงี้ถูกอย่างนงี้ถูกอะไรเงี้ยรู้ทันมันไปเรื่อยๆรับธรรัส ก, กานหลวงพ่อครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสมาสนทนากับหลวงพออ่อนะครับผมใช้การฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อเป็นกัญาณมิตรนะฮะแล้วก็จิตมันก็ปาลบธรรมขึ้นมาเองอยู่เรื่อยๆอนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันก็มีโยนิโสโรานสิการ อ, ออกมามนะครับครั้งก็มีการสดมนหรือว่าดูจิตดูกายสลับกันตลอดทั้งวันนะครับ ช่วงหลังๆเนี่ยพออายุมันมากไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเบื่อหน่ายโลกะครับแล้วก็อยากจะวางภารกิจของตัวเองอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บ้านปลายเนี่ยจะปฏิบัติบุษาพระพุทธเจ้านะครับ อ, อนุโมทนาครับอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าผมจะมีโอกาสเข้ามาบวชไหมฮะบวชบวชยากนะค น, นอายุเยอะๆบวชแป๊บเดียวหอสึก ชีวิตรพระกรรมฐานจริงๆไม่ได้สบายนะถ้าบวชบววัดบ้านนี่พออยู่ได้วัดกรรมฐานจริงๆนะพออายุเยอะจริงๆอยู่ยากมากเลยลําบากตรักตรำนะมันไม่เหมือนพระวัดบ้านเขาสบายนี่ถ้าเราต้องการแค่ที่ภาวนาเนี่ยอยู่วัดบ้านก็ได้นะที่มันไม่ลําบาก แล้วก็ภาวนาดูจิต ด, ดูใจของเราไปของโยมมีจุนอนนะคือมันคิดเยอะไปนะมันคิดเยอะไปรู้เ อ, อย่าไปคิดเานาะที่หลวงพ่อเริ่มต้นก็นบอกอย่าไปเชื่อความคิดน้อย่าไปยึดอย่าไปยึดความคิดความเห็นรู้ทันความรู้สึกสดสดร้อนร้อนไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็จะไปได้สาธุครั บ, รบเมื่อเดินก่อนเมื่อก็มี คนมาบวชนะอายุเยอะเดินได้วันเดียวสองวันก็เดินไม่ไหวละลํนะาบากที่อยู่อาศัยอย่างนี้หน้าหนาวลาบากนะพื้นก็เป็นหินถ้าจะบวชก็ดูวัดที่มันไม่ลําบากนะตั้งใจภาวานาของเราไปอย่าไปดูคนอื่นนะอย่าไปดูพระอื่น ดูตัวเราเอนแล้วก็อยู่ได้ถ้าไปดูพระอื่นเราก็จะเริ่มวิจาร์อีกแล้วนี่ดีนี่ไม่ดีความคิดของเราเยอะนี่รมมันโกรธจนเสียงหลวงพ่เอเลเหยตามลมไปหมดแล้วน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อคือเวลาที่หนูปฏิบัติหนูใช้ได้แล้วดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว แล้วเวลาที่หนูนั่งสมาธิแล้ว ร, รู้สึกว่าตัวเองแบบหนักแล้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะนั่นปติคือไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเป็นแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยนะถูกไปที่ทำอยู่ถูกแล้วอยู่ไหนยเมือซินู่เดี๋ยท้ายห้องนั่งเก้าอี้ เจียรนอกมัสการค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติมาสี่ปีค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็ยืนเสียยืนส่งหลวงพ่อเห็นแต่ปลายผมห่างไปเธออ้อจิตดูมีพัฒนาการขึ้นมาค่ะก็กเลยอยากจะมาขอส่งการบ้านขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อคถูกแล้ว บแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบเธอนะ ใ, นใจอย่างฟุ้งนิดหน่อยอกับสวัสดีค่ะยกใหม่างี้ไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อมาประมาณสามปีอะค่ะ อ, อ, อยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูให้วัดพัฒนาขึ้นไหมให้ดูอะไรหลวงพ่อไม่ใช่หมอดู ที่ภาวนาเป็นยังไงบ้างอะไรนะภาวนาเป็นยังไงบ้างเป็นไงอ่ะรู้ตัวเปล่าเห็นกิเลสบ่อยไหมหรือน า, นานเห็นทีใ <c oughs> ชฉพอช่วงที่ทำในรูปแบบแต่ว่าถ้าเกิดดำเนินชีวิตประจำวันก็ยังไม่ค่อยอยู่ในชีวิตประจำวันนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิด ต า, าดูหูฟังใจคิดแล้วความรู้สึกอะไรเกิดเคยรู้บ่อยๆแค่นั้นแหละไปฝึกค้าบของหนูฝึกยังไม่พอนะแต่ว่าก็พอทำถูกแลใช่ไหมคะเออถูกแล้วล่ะแต่ต้องฝึกให้เยอะเยอะอย่าขี้เกียนนะออคือไม่ชอบเดินจงกรมเนะค่ะโอ้โหนะไปเดินเลยต้องต้องทำ <c oughs> มันไม่ชอบแล้วพามันเดินเลยดูซิใครไม่ชอบ ใครเดินแล้วใครไม่ชอบใครเดินดวกไหมเวลาเดินจงกรมใครเดินร่างกายมันเดินใครไม่ชอบใจไม่ชอบร่างกายเดินแท้ๆเลยใจไปยุ่งอะไรด้วยเพราะฉะนั้นะหนูไปเดินน ะ, ะเห็นร่างกายเดินเห็นใจไม่ชอบไปเดินเยอะๆคนนี้เขารู้สึกพลิกล็อก อ ห, หลวงพ่อบอกว่าไม่ชอบเดินเหรอนั่งก็ได้หนูอะไรเงี้ยนะข <c oughs> องหนูไปเดินนะถึงชดีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดินไม่ได้เลยบางคนนั่งไม่ได้ <c oughs> บางคนต้องนอนก็มีนะเราได้ธรรมะด้วยแต่มีน้อยมาก <c oughs> ว่าไปยังมาคับจิตให้นิ่งอยู่รู้สึกเปล่าค่ะ <c oughs> รู้ใช่ไหม <ข>รู้ว่าทำทำไมมันตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นอะตอบถูกขอกันบ้านสําหรับปีหน้าค่ะปีหนึ่งส่งทีค่ะเหรอแหม <ขา S 1> ปีหนึ่งเลยเหรอแล้วขอปีกลายว่าไงเอามาให้ดูก่อนก็ของปีกลายก็เป็นอย่างนี้ค่ะตอบง่ายง่ายๆ่เดี๋ยวตีตายเลยที่หลวงพ่อถามอะหลวงพ่อเห็นอยู่ว่าเราเป็นยังไง แต่หลวงพ่ออยากรู้ว่าเราเห็นสิ่งที่เราเป็นไหมบอกหลวงพ่อให้ชื่นใจหน่อยซิจิตตอนนี้เป็นไงตอนนี้ขณะนี้ก็ก็ตื่นเต้นอนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้บังคับละเออถูกใช้ได้ทําถูกแล้วเราไปทําอีกหลวงพ่อ <c oughs> ที่ถามถามนะไม่ใช่อยากรู้อะไรอ่ะนะอยากรู้แค่ว่าเราเห็นไหมเห็น <c oughs> ตัวเองเปล่าถ้าเห็นตัวเองก็ใช้ได้แล้ว เราพุโทโธต่อไปใช่ไหมคะใช่พุโทโธใช้ได้จนจบเลยนะ <c oughs> พุโทโธเรารู้ทันจิตแต่พุโทโธเฉยๆใช้ไม่ได้หรอก <c oughs> พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้ <c oughs> พุโทโธเรารู้ทันจิตใช้ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มีความอยากค่ะคืออยากขออนุโมทนาบุญหลวงพ่อค่ะได้สาธุ อนโมธนาบุญก็เป็นบุญนะอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญนะอย่างเราอุทิศส่วนบุญให้คนอื่นนะใจต้องไม่ขี้เหนียวอ่ะใจกลัวคนอื่นเอาบุญของเราไปอย่าเงี้ยไม่ได้บุญหรอกนะอุทิศไปนะขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถอดแล้วก็มองตัวไหนมันจะมาเอาอ่ะนะกลัวมากเลยเดี๋ยวมันมาเอานะมัคือการลดละความเห็นแก่ตัว การที่เราอนุโมทนาคนอื่นได้เห็นคนอื่นเขาดีแล้วดีใจกับเขาได้ก็เป็นความใจกว้างของเราไม่ใช่อิจฉานะการที่เราทำความดีมาแล้วบอกให้คนเห่นเขารู้นะเพื่อเขาจะได้อนุโมทนาอันนี้เป็นบุญเราไปทำความดีมาบอกเขาเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราน่านับถืออันนี้เป็นกิเลสนะไม่เหมือนกันนะ ต่เพื่อให้เขามีความสุขอย่างนี้เราได้บุญแต่เพื่อให้เราได้หน้าได้บาปนะอ ย, อย่างไปบอกมามาอนุนโมทนาให้ชั้นนะชันไปทำบุญวันนี้ไปฟังธรรมวัดหลวงพ่อประโมทเนี่ย้องไปลง facebook ไปฟังธรรมหลวงพ่อมาคนก็สาธุสาธุสาธุฟังแล้วมันไปทำอะไรต่อมันไม่เล่าฟังไปงั้นแหละตอนนั่งกลับก็หลับ พอหลวงพ่อเทศเสร็จก็ตื่นพูดมามาาปากเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูจะเยอะเลยห <c oughs> ลวงพ่อหยุดเทศท่นานอาการบ้านได้จกจ๊กจกแจ๊กเลยมยกระทศกันทศกันมันเป็นยังไงไมันมีสิบปาก <c oughs> นี่ถูกด่าแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ยังนั่งยิ้มอีก <c oughs> ไม่ฝึกเอา พวกเราต่างกับหลวงพ่อนะพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์เนะพอเข้าใจได้บอกไปทำเอานะหลวงพ่อลงกราบตด้แต่กราบเนี่ยทำแล้วนะไม่ใช่กลับบ้านแล้วทำรู้สึกตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยเว่าไปกราบนมัสก า, ารหลวงพ่อคะ่ะวันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะหลังจากที่ได้ปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมสาสักระยะหนึ่งนะคะตื่นเต้นมากคะ่ะถูกค่ะก็ จากที่ปฏิบัติมานะคะก็ตามลมหายใจนะคะแล้วก็มีการดูจิตระหว่างชีวิตประจาวันค่ะมีอะไรนะดูจิตระหว่างชีวิตประจําวันแล้วก็ติดตามกิเลสนะคะออก็ขณะนี้ก็รู้สึกว่ากิเลสเนี่ยจะติดตามในเรื่องของโทสะได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่เป็นคนโทสะแรงแล้วก็มีมีมีความรู้สึกได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจิตมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะ กอยาจะทําไมต้องมีคำว่าเล็กน้อยไม่มั่นใจค่ะหลวงพออ่อค่ะดูไปนะดูไปเรื่อยๆจิตเราขนาดนี้สมาธิไม่พอดูออกไหมดูออกค่ะจิตไม่ไม่ตั้งมัน่นค่ะจิตตั้งมั่นสําคัญมากนะจิตไม่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้จริงค่ะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนคะ่ะ รู้ไหมว่าตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกรู้ค่ะหายใจซิแตหายใจโดยไม่ดึงจิตคืนหายใจไปเรื่อยรืย่อยรู้ไหมว่าจิตมันเข้ามาข้างในรู้ค่ะของพ่อดูออกอย่างว่ามันไม่เหมือนกันดูออกแล้วค่ะเออถ้าจิตไปข้างนอกให้รู้ทันนะค่ะพจิตมาอยู่ข้างในก็อย่ารักษาไว้ นะแค่ว่ามันเข้ามาก็รู้มันออกไปข้างนอกก็รู้ออกไปข้างนอกอย่ายไปเกลียดมันด้วยการดึงคืนมามันอยู่ข้างในก็อย่ายไปรักมันด้วยการรักษาให้มันอยู่ตลอดนะอยู่ข้างนอกก็รู้กลับเข้ามาข้างในก็รู้ดูเรื่อยๆากรามนรมาสการนะคะหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูความอยากนะคะก็ หนูก็ไปดูความอยากแล้วคราวนี้คือมันก็เห็นแบบเบื้องหลังของความอยากอะค่ะมันคือคือมันรักตัวเองะคะอ่ะอย่างนี้ถูกหนูไปดูต่อเลยทําถูกเป๊ะเลยแล้วคราวนี้คือมันก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างที่เราทําเนี่ยมันมีมันมีตัวบงการอยู่ค่ะใช่ะคะช่ะแล้วมันก็ทําให้เราแบบเออเหมือนบางอย่างเราก็ยับยั้งชั่งใจเรารู้ว่าเออทําอันนี้มันไม่ดีะะอะไรเงี้ยค่ะ ้นีตัวที่บ่งการเราก็คือตัวตัวตนหาแล้วนะนะเป็นเจ้าหนายลึกลับสั่งเราทั้งวันเลยรู้ทันมันไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพ่อคื อ, เ, อเวลาคือเหมือนกับว่าจิตมันชอบไหลไปโฟกัสที่ไปลายจมูกอะคะ่ะอืมแล้วคราวนี้คือบางทีมันจะเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอย่างนี้คะ่ะคือหนูจะต้องดูอันไหนอะคะไม่ได้เอาตัวไหนหรอก จิตไปอยู่ที่จะมู่ก็รู้นะจิตสงสัยขึ้นมาก็รู้รู้ทันจิตเป็นช็อตๆไปไม่ได้เอาจิตไปตั้งตรงไหนหรอกประโยค์เนี้ยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจิตมันอยู่ตรงไหนนึกว่าอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งหรอกจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นแหละอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมทราบค่ะก็แค่เนี้ยจิตไปคิดเกิดแล้วก็ดับไป อ ค, คอยรู้คอยดูไปที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ทำอีกอย่าหวังผลคนไหนที่หลวงพ่อชมนะจะล้มเหลวไปช่วงหนึ่งนะคนไหนถูกดูถูกว่าแสดงว่ากำลังจะดีคนไหนหลวงพ่อเฉยๆอุเบกขาแสดงว่าสอนไม่ไหวมีหลายแบบนะถ้าถูกดุเนี่ยแสดงว่ากำลังจะดีแล้วถ้าหลวงพ่อบอกดีกำลังจะเสื่อมละ เชิญกลับบ้านคนที่จะส่งข้อมูลให้หลวงพ่อนุโมทนานให้เขียนโน้ตสั้นๆไม่ต้องใส่ซองปิดผนึกนะเสียดายกระดาษต้นไม้ถูกฆ่าตายไปโดยเปล่าประโยชน์